เพราะประตูอะประตูอาบายไม่เปิดเราท่านทั้งหลายเนี่ยประตูอาบายมันเปิดอันตรงเนี้ยสังเวขาญาณนะต้องวิจัยเยอะๆมันยังจะเกิดอุตสาหะมันจะเกิดปรักปะมันจะเกิดความเพียรมันจะเกิดความกล้าในการที่จะเดินออกจากชาติทุกชราทุกพยาทิทุกมรณะทุกนี่คือกรรมในอดีตที่จะต้องมาวิจัยอย่างหนักด้วยสังเวขาญาณนะ ก็คือสลดใจอย่างเดียวไม่พอต้องมีสัมมาทิฏฐิญาณะ เ, เข้าไปวิจัยเห็นโทษของอกุศลกรรมลามกทั้งหลายที่มันตาไม่ผลประดุดดังล้อเกวียนตามรอยเท้าโคล้อเกวียนตามรอยเท้าโกตามติดสรุปแล้วนั่งฟังธรรมมันก็จ้องอยู่เอาที่นั่งฟังธรรมนี่ละบาปเกิดแล้วจุติจิตเกิดเนี่ยมันก็ให้ผลทันดีทั้งทั้ ง, ท, งที่อยู่ต่อหน้าพระธรรมคําสอนมันก็ไม่ไว้ใจหรอก ไว้ใจไม่ได้จริงๆกรรมบีบทุกจุดทั้งทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจมันสามารถให้ทุกขตินิมิตหมดเลยไม่มีทวารไหนไม่มีทางไหนที่มันจะไม่ให้ทุกขตินิมิตได้วิถีจิตถ้าชาวนะที่มีบาปเกิดทางไหนได้มันก็คอยจ้องให้ทั้งนั้นคือกรรมชั่วทั้งหลายที่ทํำแอดีตนอกจากจะน่าสลดใจแล้วเกิดแล้วแล้วเราเราก็ไม่เคยเห็นภัยตรงนี้แล้วมันน่าสะดุง้ง ถ้าคิดแค่โอ้ยเราเคยเกิดมาอย่า ง, ย า, งยาวนานจะสะดุ้งไหมคิดธรรมดาอย่างเงี้ยไม่สะดุ้งล็อกโอ้โหเพลินดีนะเกิดที่จริงมันไม่ใช่อย่างงั้นมันแฝงไปด้วยความชั่วทั้งหลายที่ทําไว้เลยทําอย่างงี้ยปิดมาหมดเลยใช่ไหมตามติดไหมติดทุกมุมไหมบาปกุศลติดทุกมุมเนะ่ะเอาแต่นี้วัตถทุกในอนาคตคําว่าในอดีตเนี่ยตั้งแต่อดีตที่เป็นอนันตานับไม่ได้นะ หาเบื้องต้นไม่ได้นะหาเบื้องต้นไม่ได้ที่ทำกรรมชั่วมานี่เนะี่ยจนมาถึงปัจจุบันในภพนี้ด้วยนั่นอาจัดว่าเป็นอดีตเขาเรียกว่าในพบก่อนและในพพ ป, ปัจจุบันด้วยแล้วต่อไปคือตั้งแต่วินาทีข้างหน้าต่อไปอันนี้เขาเรียกว่าภัยที่จะเป็นไปในอนาคตที่ภัยที่จะเป็นไปในอนาคตถามว่าแล้วอินทรีสังกอนดีไ้มเนี่ย แล้วที่เราจะเผอกายยัุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตบาปอากุสรธรรมอลามกที่จะไหลท่วมทับกระแสจิตนับตั้งแต่วินาทีหน้าต่อไปอะจนหาที่สุดไม่ได้อีกแหละก็มืดอีกทั้งจักขุทวานก็เกิดบาปได้ทั้งโสตทวานกาณนทวานชิวหาทวานกายยะทวานมโนทวานบาปได้หมดเลยอ่ะแล้วโดยมากก็ทําผิดทำพลาดกันอยู่ตลอดเวลาอย่างเนี้ย ไม่เป็นอย่างนี้ไอ้ข้างหลังก็บีบก็ามายข้างหน้าก็มืดนี่ไงมันจะได้เห็นภัยภัยที่จะต้องไปทํากรรมชั่วถามบ อ, อกว่าอะไรทําให้เราต้องทําผิดโลภะยังมีไหมโทสะยังมีไหมโมหะยังมีไหมก็เหตุใหญ่ๆสามเหตุนี่มันยังมีอยู่เนี่ยกลุ่มอกุศสลธรรธมแลที่จะต้องตามมาทุจริตที่จะต้องตามมาเนี่ยมันก็ตามมาเลยตอนนี้ ต่อให้ฟังทำไปดิถ้าไม่เข้าใจถ้าไม่มีสังเวคายานะในานาคตให้ดีจะไม่เห็นภยยัยแล้วช่องกูสลเราอยู่ตรงไหนไอ้แต่เนี้ยแล้วถูกบีบทั้งข้างหน้าข้างหลังเขาเรียกว่าถูกไฟไหมอันนี้ใช่ไฟไหมเนี่ยล้อมหน้าล้อมหลังเมื่อถูกไฟล้อมหน้าล้อมหลังอย่างนี้เราเป็นนักรบเนี่ยของพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยนะจะไปสู้รบกับเขา จะไปสู้ศัตรูข้างหน้าหรือสู้ศัตรูข้างหลังมันต้องป้องกันภัยข้างหลังด้วยใช่ั้ยในขณะเดียวกันก็ต้องวางแผนการลบที่ไปข้างหน้าโอ้โหลำบากเกินเนี่ยแล้วใครเป็นหัวหน้าในการวางแผนการลบสัมมาทิฏฐิญาณนะก็ต้องวางแผนให้ดีใช่ั้ยต้องวางแผนให้ดีเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะแล้วตอนนี้เรา สิขาสามแล้วล่ะตอนนี้มันยืนอยู่ไหวไหมเนี่ยแล้วเกาะมั่นไหมศีลที่เป็นไปในภูมิศีเนี่ยมั่นคงไหมถ้าศีลที่เป็นไปในภูมิศีมั่นคงแปลว่าบาปไม่เกิดในใจอะ่ะความภาวะของความทุศีนไม่มีอะอันนั้นแปลว่าอย่างนี้มั่นคงฐานที่มั่นน่ะมั่นคงแล้วชัยภูมิมันดี ถึงเหมาะแก่การที่จะประกอบกิจในการต่อกก่อนตอการลบใช่ไหมและตอนนี้ชัยพูมของเราไปเหยียบไปตรงไหนมันก็สุดเหยียบไปตรงไหนก็สุดเนี่ยทําไงแล้วเราจะต่อขึ้นไปยังไงเนี่ยเจดีก็ดีบ้านก็ดีเนี่ยะจะปลูกบ้านเป็นต้นเหล่านี้เราจะปลูกยังไงพื้นมันสุดเลยต้องใครที่ไม่มั่นคงก็ทําให้มั่นคงเสีเนี่ยเวริยะ ท่านถึงบอกว่าภัยเนี่ยนะที่จะมาในอนาคตทุกมีเหตุคือความทุกข์ในวัฏฏะพอได้ขันมามันก็ได้ความผิดพลาดคือการทำบาปทำกรรมทั้งหลายด้วยแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มานั่งพิจารณาโดยระหว่างบุญกับบาปที่เกิดเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยโดยมากเป็นไปกับบาปอ่ะอาจาย์มองอย่างเงี้ยมันมันพอจะเกิดอุตสาหะได้ไหมแบบนี้หรือยอม ตรงนี้คำว่าเพียนอีกอย่างหนึง่งมันเลยมีมันมีเลยเลยมีการเพียนในการเจริญกุศลขึ้นมาใช่ตรงนี้แหละเพราะเราเห็นโทษต ร, ตรงนี้ยังไงการเพียนในการประกอบในการเจริญกุศล น, นั้นก็เลยเพียนในการที่จะเดินเพียนก็ในสีลวิสุทธิ์เทียนนั้นตรงนี้ก็คือว่านี่แหละประการต่อมาก็คือว่าทุกอาหาระปริยสนทุก ทุคือการสแสวงหาอาหารคำว่าทุกในการสแสวงหาอาหารในที่นั้นก็คือทุกในการสแสวงหาทรัพย์ของพระเนี่ยก็มีทุกข์ในการสแสวงหาอาหารเนี่ยญาติโยมก็แล้วก็ทรัพย์ด้วยก็นี่ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหมตราบใดยังมีกระแสขันเนี่ยอยู่เนี่ยโอ้โหจะต้องเป็นพาร้า ม, มากเลยวันวันหนึ่งเนี่ยนั่นแหละเดี๋ยวก็ล้างจานเดี๋ยวก็ล้างจานอยู่นั่นแหละใช่ไหม ยานที่ประกอบไปด้วยความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นในการพิจารณาแปดฐานนะันนี้เรียกว่าสังเวทยานนะนี่นะยานยานที่ไปพิจารณาเห็นอย่างเนี้ยพิจารณาแล้วเกิดความสะดุ้งกลัวเกิดความสะดุ้งกลัวที่จริงศัพท์ท่านใช้คําว่าสลดใจที่จริงก็คือกลัวนั่นเองสะดุ้งกลัวต่อภัยทั้งหลายเหล่านั้นนะ่ะยาณะที่พิจารณาถามว่าถ้าปัญญาไปพิจารณาอย่างนี้นะคืออย่างเนี้ ถ้าไฟมันไหมมาข้างหลังใกล้จะถึงตัวไอ้ข้างหน้าก็เต็มไปได้ไฟเนี่ยอาตพิจารณาอย่างนี้เบีดเสร็จเนี่ยบอกว่าไฟมันล้อมหน้าล้อมหลังอยู่อย่างเงี้ยแล้วคนในบ้านเนี่ยถ้านอนหลับสบายไหมท่านครับเอาไฟไฟมันไหมมาข้างหลังก็ไหมมาจะถึงตัวแล้วไอ้ข้างหน้าไอ้ข้างหน้าก็ไฟก็มาคือรอบหมดแล้วว่างั้นเถอะ แล้วเราอยู่ในบ้านแล้วนอนหลับเฉยอยู่เนี่ยเป็นไปได้ไหมแล้วทุกวันเราทำไมมันนอนหลับเหมือนไม่มีไฟอะ่ะมันเพราะอะไรอะ่ะอะไรไม่เกิดสังเวชาญาณหรือวิญาณเนี่ยไม่เกิดเข้าใจยังเนี่ยอันนี้เราก็รู้ทันทีแล้วว่าสังเวชาญาณ น, นี้ไม่เกิดถามว่าเราเวลาง่วงแล้วยังนอนหลับสบายใจด้วยโลภะอยู่ไหมโมหะยังปกปิดอยู่ไหม นั่นนะเพราะมืดมองหามันปิดไม่เห็นภยัยเราถึงบอกว่าภาวะสงครามปั่นนี้หลับกันได้อย่างไรอะก็มันเดือดร้อนกันละสามละสายแบบเนี้ยตัวเราเองก็ไม่ปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยอย่างเงี้ยแล้วทําไมประมาทขนาดนี้ก็เพราะว่ายานที่ประกอบไปด้วยความสะดุ้งกลัวเกิดขึ้นมันไม่มีไม่มีสังเวคายานะคนที่มีสังเวคายานะคือยานที่ประกอบไปด้วยความสะดุ้งกลัวตอบ ชาติภัยภัยใหญ่คือปฏิสนธิคือการเกิดชราภัยภัยใหญ่คือความแก่พยาธิภัยภัยใหญ่คือความเจ็บไข้มรณะภัยภัยใหญ่ความตายแล้วแล้เล่าๆเนี่ยจะต้องไปตายใหม่ตายใหม่กันอยู่เนี่ยหรือภัยใหญ่ในวัฏทุกในใบยภูมิการไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอสุรกายน่ากลัวหรือภัยใหญ่ในอดีตกรรมทั้งหลายที่ยังไม่หมดสิ้นที่ตามให้กระแส ชีวิตของเราเจ็บปวดเนี่ยนะแต่อดถึงว่านับตั้งแต่วินาทีหน้าไปเนี่ยเราจะต้องไปทําบาปอกศซได้ทำมันลาโมกอีกเยอะเราเนี่ยไปเดี๋ยวก็ไปทํามาดูฆาตอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปทําปิดุฆาตอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปทาาาําอรหันต์าฆาตอีกแล้วเดี๋ยวก็ไปทําโลหิตตัวบาบาเดี๋ยวก็ไปทําสังฆเภทอยู่เนี้ยทํามิจฉาทิฏฐิกินเดี๋ยวต้องไปทําอีกไม่เคต บางคราวแล้วก็ไปเง็นหน้าดูาศาสดาอื่นนีไม่รู้เรื่องใช่ไหมน า, นานาสัตถูอุลโลกันนะไพ่ไพในการเง็นหน้ามองาศาสดาล้ำไปไปเห่อในสังสารวัฏเนี่ยเที่ยวไปเราจะรู้กีปเปือยบ้างเป็นอาชีวกบ้างไปทรมานร่างกายต่างๆนันาไปพอกหัวบ้างอริจารพัดน่ากลัวถึงบ่าพิจารณาเห็นแล้วมันเป็นอย่างนี้ สังเวชายานะมันต้องเห็นอย่างนี้นิงจะสะดุ้งกลัวเลยโอ้ไม่ไหวแล้วถ้าพิจารณาอย่างนี้เกิดมีความสุขโอ้ไม่ไหวแล้วตอนนี้โอกาสได้แล้วไงใช่ไหมเราไม่ใจขาดก็มโโอกาสสังเวชายานะต้องเกิดหมบอกว่าทุกคือความในในอนาคตเนี่ยทุกในอดีตล้วเป็นมาหมดแล้วเอาที่เราไม่เคยเป็นไม่มีอ่ะไม่ได้เป็นพระรหันต์กับเา้าท่านไมไ่เป็นพระอิยะ นอกนั้นนรเป็นมหมดเป็นมหมดแล้วก็นึกดูที่เห็นนกเห็นนอนเห็นหนูเห็นแมวเห็นสุนัขเขาเอะอย่างเห็นเห็นกระบือเห็นอะไรเห็นเต่าเห็นปลาเราเคยเป็นเราเคยเป็นแล้วจะต้องไปเป็นท่องบ่อยๆที่แล้วจะได้ขวบเราเคยเป็นทั้งนั้นแล้วจะต้องกลับไปเป็นอีกแล้วยังยังไม่หายตัวยังไม่หายอุ่นจะกลับไปแล้ว ย้อนมาวัดไปก็ไปท่องท่องท่องที่เราเคยเป็นแล้วจะต้องไปเป็นเราเคยเป็นจะต้องไปเป็นเพราะโลภะโทสะโมหายังไม่ถูกถอดออกโลภะโทสะโมหายังไม่ถูกถอดใข้ควรเลื่อๆอย่างเงี้ยถ้าไม่ไข้ควรอย่างเงี้ย ส, สังเวชายาหนะ้ามันไม่เดินอย่างเรามันจะต้องเอามาจี้เห็นเลยไปเห็นอย่างงี้ยไปดูความทุกข์ของเขาด้วยเพราะยังไม่จําแค่อดีตมาไม่กี่พอก็ทํา ท, ท่าลืมไปดูว่า ไปดูเขาว้เนีไอตัวหนอนบางตัวหน่าเกลียดเราก็เคยเป็ น, นอตัดบางตัวน่าเกลียดมากแต่เราก็เคยเป็นมาแล้วบางคนกลัวใส่เดินกลัวกิ้งกือเนี่ยนั่นเราเราเคยเป็นเลยเป็นแมลงป่องก็เคยเป็นใช่มหมแต่ขาบก็เคยเป็นพอออกมาทําท่ากลัวก็า <c oughs> มันต้องมันต้องวิจัยอย่างเงี้ยวิจัยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย อยู่ได้ยังไงเนียึกที่ไหนได้เราเคยเป็นบางทีเราไปดูในกระจกแล้วแต่งหน้าอันจะไม่ค่อยมัวทําเท่าไหร่ของพวกเนี้ยนี่ไงยานที่ประกอบไปได้วยความสะดุ้งกลัวแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็อัธยาศาัยมันเคยเป็นแล้งกลับไปเป็นแต่อัธยาศัยที่เราไม่เคยเป็นคือผ้าาริยะเนี่ยมันไม่ค่อยอยากเป็นโดยหลักการจริงๆเนี่ยเราเนี่ยไม่ค่อยมา เกิดมาปุ๊บเนี่ยต้องจำความได้เราไม่เคยคิดอยากพ้นทุกข์คิดไม่อ้วอยากจะพ้นทุกข์เหลือเกินเน่ยมันทรมานเหลือเกินกระแสะวิธีคิดตรงนี้มันไม่ฝังในใจเรามาเลยอันนี้บ่งบอกถึงอะไรเนี่ยบ่งบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่สัตว์ที่คิดอยากจะตัดสู้มาเท่าไรหร่หรอกเพิ่งมาฟังคําสอนเพิ่งมาเจอความทุกข์เพิ่งมาเจอเหตุปัจจัยอะไรนิดหน่อยาำทีทําได้อยากจะพ้นทุกข์ก็มานั่งพิจารณาดูใช่ไหมเออมันมันจริงๆมันน่า ก, กลัวจริงๆริงไมเนี่ย อาศัยได้ข้อมูลคำสอนนั่นแหละนี่แสดงให้เห็นเลยเนี่ยเราไม่ได้ไมไดีไม่ได้สัตว์คิดน้อมใจตัดสู้เท่าไหร่นะฉะนั้นต้องพยายามเนี่ยขัดทำสังเวขาญาณ น, นี่ให้แข็งแรงให้แข็งแรงให้ตั้งมั่นจริงๆให้เกิดความว่าอาหารับอาหาระปริเยสนะทุกขุกในการแสวงอาหารแสวงหาทรัพย์ทุกจําพวกวิ่งหาอาหารหมดเลยวิ่งหาทรัพย์หมเลย เหนื่อยมากกรรมเท่าไหร่บาปเท่าไหร่ในการสแสวงหาเครียดเท่าไหร่อกคุโสระทำเวลามกเท่าไหร่โอ้โหปริมาณบาปที่เกิดขึ้นจากการสแสวงหานี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพิจารณาก็สะดุ้งเกิดขึ้นในเวลาพิจารณาฐานะแปดนั้นพิจารณาบ่อยๆไอ้ตรงนี้แหละเป็นเหตุกระตุน้นพิจารณาบ่อยๆเรียกว่าสังเวชาญาณนะผู้ประกอบไปด้วยสังเวชาญาณะเป็นผู้มีความเพียรอย่างยิ่ง ในกุศลธรรมทั้งหลายตอนนี้จะระดมกุศลแล้วเหตุผลในกรณีที่คนกล้าในการระดมกุศลทั้งหลายก็เพราะพิจารณาฐานะญาณะได้เหตุแปดประการเหล่าเนี้ใช่ไหมถ้าไม่พิจารณาฐานะทั้งแปดประการเนี่ยการระดมกุการระดมความเพียรในการที่จะทํากุศลให้เกิดขึ้นจะไม่ค่อยระดมด้วยเลยแต่ถ้าหาไปพิจารณาอย่างนี้แล้วเนี่ยกรณีของการระดมความเพียรมันจะเกิดขึ้น ในระดมความเพียรก็จะเกิดขึ้นพอจะมองเห็นไหมแต่เนี้ยเนี่ยในลักษณะอย่างนี้ฉั้นก็พิจารณาในลักษณะอย่างนี้เ้าเรียกว่าเป็นปัจจัยก่การที่จะทำให้ความเพียรความเพียรทั้งหลายปรากฏเกิดขึ้นในกระแสขันในกระแสของชีวิตเขาเรียกว่าสังเวคาญาณนะผู้ประกอบด้วยสังเวชาญาณนะเนี่ยก็มีความเพียรในการที่จะเจริญ ทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลโดยเฉพาะถ้าหากอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นพระด้วแล้วก็เพียนพยายามในการที่จะเดินสิกขาสามถ้าหากว่าศีลกุศลเนี่ยถ้ายังออกจากปานาทิบาตอธินาทานกาเมสุมิชฌาจาร์มูสาวาตปิสุนาวาจาพุรุสาวาจาสัมผัสปลาปะยังออกจากอวิชชาออกจากพยาบาทออกจากมิชฌาทิถิไม่ได้สะดุ้งกลัวมากเอาทำไมถึงสะดุ้งกลัวเพราะว่า โทษของการที่ออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นี่แหละจึงเป็นความเสียหายสังเวขาญาณนะนี่นะสังเวขาญาณวัตถุเนี่นะวัตถุที่เอคือว่าสังเวขาวัตถุ่วัตถุที่เป็นเหตุให้เกิดสังเวขาญาณ น, นี่นะถ้ารรมาพิจารณาอย่างนี้ก็คือว่าธรรมชาติของวิริยะเนี่ยเป็นธรรมชาติที่อดทนด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องพยายามต่อสู้ด้วย เพราะปกติเนี่ยการจะออกจากบาปเนี่ยต้องใช้ความกล้าเยอะเพราะเราติดบาปกันไงติดโลภะติดสุขติดสบายใช่มเราเคยติดตามอัธยาศัยของเราเนี่ยเราไม่ค่อยกล้าเพียนอะไรเท่าไหร่หรอ ก, กรเรกลักวไงกลัวากลัวความลำบากแต่ว่ากรณีแห่งความเพียรถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ ย, นยในการงานที่เป็นไปอย่างธรรมดาก็มีความลำบาก ้ความลำบากต่างๆเหล่านั้นที่บางคนนี่นะโเป็นคนขยันเป็นความอุตสาหะเป็นความอดทนอะไรต่างๆเหล่านี้แท้ที่จริงก็คือเป็นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะกรณีที่บอกว่าอุทุกขาลาเพอหะนังอุสาโโหสามารถถอนมือสามารถอดทนเมื่อได้รับความลำบากชี่ อ, อุตสาหะได้แก่วิริยะที่มีลักษณะในลักษณะออกจาก ออกจากความทุกเหล่านั้นทีนี้เมื่อวิริยะเกิดขึ้นดังกล่าวสามยุทธธรรมทั้งหลายก็คือจิตและเจรสิกที่เกิดร่วมกันกับวิริยะอื่นๆนั้นนะก็พอยมีอุตสาหะมีพล อ, อุตสาหะคือสามารถอดทนต่อความลำบากเป็นต้นได้ด้วยไอตรงเนี้ยให้สังเกตดูไม้มพระเนี่ยทาไมบางองค์ต้องที่ว่าบางองค์ที่ท่านบอกว่าท่านจะบูชา ท่านจะบูชาทุกกรกิริยาของพระผู้มีพระเกียรติย่าบางคนยืนเจ็ดปีเงี้ยยืนเดินเงีอ้อยู่งั้นน่ะไม่นั่งเงี้ยท่านทำทําไมอะหรืออีกรูปหนึ่งนะท่านไปนั่งกลางแดดเงี้ยหน้าร้อนแดดก็เผาท่านอยู่เงั้นยอมว่าทําได้ไหมนั่งอยู่งั้นเน่ยท่านก็เขาก็ไปถามท่าน ไปกลัวร้อนมาตากแดดเอาเวจีกับแดดเนี่ยมันคนละเรื่องเลยฮะเป็นเรื่องนี่เดียวท่านเอาทุกในเวจีมาวิจัยอะนี่เป็นอย่างนี้วิริยะนี่นะ ท, ำำทําสามยญญาธรรมก็คือให้มีความสหาหะ้ด้วยอำนาจของวิริยะนะช่วยอุดหนุนเหมือนบ้านเก่านั่แหละที่จวนจะลม้มโจนจะพังก็มีเสามีอะไรมาค้าไม่ให้บ้านนั้นลม้มหรือพังเป็นต้นเละ สมยุธธรรมทั้งหลายเนี่ยนะขณะที่หย่อนกำลังต่อการรับอารมณ์ก็เปรียบเหมือนบ้านที่จวนญ่พังวิริยะก็จะช่วยอุดหนุนสมยุ ธ, ธรรมนั้นไม่ท้อถอยแล้วก็เข้าไปรับอารมณ์นั้นได้อย่างมั่นคงเปรียบได้กับเสาบ้านนะที่เขาปักปักค้ำบ้านเขาไว้นั่นแหละทีนี้ชาติชราพยาธิมรณะทุกในอบายภูมิเดราฉานเปรตอสุรกายนะ ปัญญาที่เกิดพร้อมที่เกิดพร้อมกันนั่นแหละถามว่าปัญญาญานะหรือปัญญาที่เกิดพร้อมทําไมไปพิจารณาภัยในไบย ภ, ยภูมิหรือภัยในวัฏจทุกข์แล้วเกิดสะดุ้งกลัวเพราะปัญญาที่เกิดพร้อมกับโอดตะปะปัญญาเนะี่ยเกิดพร้อมกับโอดตะปะคือความสะดุ้งกลัวรทุกข์เขาเรียกเป็นตัวสังเวคะโดยแท้และเกิดขึ้นก็ต้องอาศัยสังเวขาวัตถุแปดประการน่ย สังเวค้าวัตถุ ก, ก็คือธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดความสรดใจหรือเพราะธรรมดาสัตว์บุรุษทั้งหลายเมื่อพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นหรือการที่สัตว์ทั้งหลายต้องไปสวยทุกข์ในนรกในสัตว์เดรัจฉานในเปรนี่นะเลือดสรกายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่น่ากลัวทั้งสิน้นผู้มีสังเวชยาณาทั้งหลายเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วบางพวกก็เบื่อห น, นายในการที่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร บางพวกก็กลัวภัยในการไปเกิดเป็นอบายภูมิเหล่านั้นถ้าเหล่านั้นก็เพียรพยายามในการที่จะประกอบกุศลอะไรแต่นี้ยนี่งไงก็สามารถทําให้ตนเองพ้นจากสังสารวัตรแล้วก็พ้นจากอบายภูมิเป็นต้นได้ทีนี้วิริยาณรำไพอีกแปดอย่างที่ท่านกล่าวเขาไว้เนี่นะกรรมะการงานมีสองอย่างนะการงานอย่างใดอย่างหนึ่งนียกตัวอย่างก็คือว่า การงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ที่ทำเสร็จแล้วและการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะลงมือทำเนี่ยวิยาวันทววิวยาลำภาวัตุอีกแปดอย่างประการต่อมามัคคะเกี่ยวกเรื่องการเดินทางการเดินทางที่กำลังจะถึงหรือกำลังเดินทางอันนี้ก็ต้องเป็นเหตุแห่งการที่จะตั้งความเพียรเครัญญะเรื่องสุขภาพ ร่างกายที่เริ่มสบายกับร่างกายที่กําลังป่วยบินดะก็คือการสแสวงหาอาหารมีอาหารไม่สมบูรณ์กับอาหารที่สมบูรณ์ทั้ง8ปดประการนี้เป็นเหตุให้วิริยะเกิดได้คือบุคคลบางคนที่ทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้วก็คิดว่างานที่ทําไว้ทิ้งไว้เนี่ยยังมีอยู่ฉะนั้นงานนี้เสร็จไปแล้วเราต้องรีบทํางานนั้นต่อข้อนี้ได้แก่วิริยะเกิดขึ้นโดยสายการงานที่เสร็จไปแล้ว ทีนี้บุคคลที่กําลังลงมือทําการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็คิดว่างานที่ต้องลงมือทําอยู่ฉะนั้นนะ่ะจะต้องรีบเร่งทํางานนั้นให้เสร็จเร็วๆคิดแล้วก็เพียรพยายามเร่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในกลุ่มของบุคคลที่เขาเจริญกุศลเนี่ยเขาต้องตั้งความเพียรในการเจริญกุศลอย่างยกตัวอย่างเช่นโอ้โหกุฏิวิหารจะต้องนั่นใช่ไหมกำลังเดินทางในขณะเดินทางเป็นต้นเหล่าเนี้ยงานที่ต้องทิ้งไว้ยังมีอยู่อย่างเนี้นะหรือจะต้องทําเป็นต้นเหล่าเนี้ยหรือการเดินทางเนี่ย จะยังไม่เสร็จจะมีอยู่จะต้องทําให้เสร็จเมื่อคิดอย่างนี้ก็มีความเพียรพยายามวิริยะที่เกิดขึ้นโดยสายการเดินทางที่จวนจะไปหรือบุคคลที่หายจากโรคภยัยแค่เจ็บใหม่ๆเดี๋ยวนี้เราสบายหรอจริงๆก็ไปชื่อของการระดมความเพียรไปเสร็จหรืออาหารสมบูรณ์แล้วไม่สมบูรณ์นี่เนืลักษณะอย่างนี้เขาเรียวกว่าวิรยิยะในวิริยาลำพาวัตถุแปดอย่างมาเนี้ผู้ที่มีผู้ที่ไม่มีโยนิโสมนัสการเนี่ย และมีโกสัชามากวัตถุแปดประการนี้กลับกลายเป็นกุศิตา ว, วัตถุวัตถุเป็นเหตุให้เกิดความเกียดติค้านหนึ่งนะงั้นจิตที่เกิดพร้อมกับวิริยะเนี่ยนะมีทั้งกุศลและกุศลแต่ในที่นี้พยายามขับเน้นก็คือที่เป็นไปกับกุศลนะที่เป็นไปกับกุศลก็คือการเดินทางการเดินก ใกล้จะเดินทางเดินทางอยู่การทํากิจใ ด, ดกิจหนึ่งการทํากิจอยู่การเริ่มไม่สบายความไม่สบายแล้วการไม่ได้อาหารที่เพียงพอการได้อาหารที่มากมายโยนิโสมนัสิการก็คือปัญญาที่พิจารณาโดยถี่ถ้วนมีเหตุคือความเหตุของความเพียน8ประการเป็นวิริยาลมภาวตถุกเหตุแห่งความเพียนส่วนอโยนิโสมนสิการคือความไม่พิจารณาอย่างถี่ท่วนเป็นเหตุแห่งความเกียจคา้าน ถ้าไม่พิจารณาติ่งต่างๆเหล่านี้ให้ทีทั่วเนี่ยกลับกลายเป็นความเกียจค้านไปโอ้น่าเบื่อเดี๋ยวก็ทำงานแล้วเดี๋ยวอะไรต่างๆนะเข้าแต่เข้าเลยไม่ได้เพียรในการเจริญกุศลเลยอันนี้พอจะสรุปประเด็นได้ยังเนี่ยวิริยะชั่วโมงกว่าเล ย, ยวิริยะอย่างแต่นี่อะไรอีกอะไรนยวิริยะแล้วก็อะไรอ๋อ <c oughs> โอ้โองนั้นยาวเลยเนี่ยถ้าว่าตรงนี้น มันจะยาวมั้ยเปล่าเนี่ยเอ า, อางี้หน่อยเนาะเอาสักเล็กน้อยนอะคือเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของอุปนนานางอกุศลานังดรรมานางปหายะปหานายวายาโมใช่ไหมกับคําว่าอ an นุปนนานังอกุศลานังดรรมานังปะหานายวายาโมสองตัวใช่ไหมพูดถึงว่าอุปน้าอกุศลและอ an นุปน้ากุศลอุปนากุศลคืออดีตอกุศลและปัจจุบันอกุศล คือกุ่ม อ, อกุศลเก่าทุจริตเก่าที่ผิดพลาดมาแล้วในพบก่นกอนๆสรุปคือตรงเนี้ยจนถึงทุกวันเนี้ยถามว่าอดีต อ, อกุศลเหล่านั้นดับไปหรือยัง ด, ดับไปแล้วทีนี้มันดับไปแล้วเนี่ยดับไปแล้วแบบประเภทที่หมดกําลังลงก็มีใช่ไหมก็กลุ่มที่ตาธรรมเวทนยกรรมกับอุปชาวเวทยกรรมในหลายๆลาย้านอัตภาพอีกมากมายเนี่ยดับไปแล้วทีนี้ ส่วนอดีตอกุศลกรรมทั้งหลายที่เป็นกรรมทั้งหลายที่จะตามให้ผลก็คือมีโอกาสให้ผลในบบยภูมิได้ตรงนี้ก็คือว่าถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ให้ผลมันก็จะตามประดุดดังรอยเท้าประดุดดังรอยเกวียนดังล้อเกวียนตามรอยเท้าโคสรุปแล้วก็เสมอเหมือนหนึ่งต้องใช้คำว่าเสมอเหมือนหนึ่ง ฝังอยู่ในจิตสันดานของบุคคลนั้นอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างนั้นเลยเหมือนอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ตามมาก็คือสักยะทิฐีไงคือความเห็นผิดนั่นแหละมนุษย์เทวดาและพรหมเนะี่ยที่ยังมีสักยะทิถีอยู่ะก็จะมีอดีตกรรมเหล่านี้อยู่จํานวนมากมายที่จะทําให้ไปตกกับใยพูมหรือตกกเวจีเป็นต้นไดน้อย่างที่ได้ยกตัวอย่าง่ะ ยกตัวอย่างที่บอกว่าบริวารของสุโรมเทพบุตรเป็นต้นแล้วอีกเยอะอันนี้อย่างเราท่านทั้งหลายอะมนุษย์ทั้งหลายที่ไปตกอาวจีกันก็เยอะทั้งที่ไม่ได้ทําอนันติรียกรรมในปัจจุบันนพบแต่แต่ก็เจอกรรมในอดีตเน่ยที่หนักหนักะมาให้ผลในเวลาก่อนตายเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลกรรมเก่าอย่างนี้เขาเรียกทุติยฤทธ์เก่าบาปเก่าที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลกําลังเฝ้ารอเราอยู่นี่เขาเรียกอุปันนากุศลนี่ อุปนนะอกุศลและทุจริตกรรมเก่าเนี่ยเป็นธรรมที่เนื่องอยู่กับสักยะทิฐิตราบใดที่ยังมีสักยะทิฐิอยู่อุปนนะอกุศลทุจริตเก่ากรรมเก่าวิบาเก่าๆเหล่านี้นะที่ยังไม่มีโอกาสให้ผลเนี่ยไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเสื่อมมีโอกาสที่จะตามให้ผลติดติดก็แปลว่า ไม่มีเว้นไม่มีการดับลงไปเลยแม้แต่อนูเดียวอันนูเดียวก็ไม่ดับดูเหมือนดับมันดับไปนั่นแหละแต่มันมีโอกาสเช่นใช่ไหมกรรมที่ทาเกี่ยวกัในเรื่องของเป็นอ布拉ร拉เวเนียกรรมเนี่ยมันดับไปก็จริงแต่ก็คือไม่ดับจะดับได้ไงมันมีโอกาสให้ผลตลอดตราบใดยังมีกระแสขันที่จะรองรับผลของกรรมนั้นนะ ที่ตรงนี้แหละที่เป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายบุคคลที่ดับสักยะทิฐิได้แล้วเท่านั้นจึงจะไม่มีโอกาสเจอกับใบยภูมิเลยแต่ยังดับสักยะทิฐิไม่ได้โอกาสที่จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็มีโอกาสไปเกิดเป็นสัตติระชานไปเกิดเป็นเปรตและสุรกายมีอยู่ตลอดทุกลมหายใจเข้าออกนี่ไฟแท้ๆเป็นอย่างนี้ ทีนี้อนุปณนอกุศลที่ยังไม่เคยที่ยังไม่เกิดขึ้นอนุปณนอกุศลก็คืออกุศลที่จะเกิดในอนาคตอันนี้อกุศลใหม่อันนี้ทุจริตใหม่ความผิดพลาดที่จะเกิดใหม่ๆนับตั้งแต่ขณะนี้วินาทีข้างหน้าเป็นต้นไปอกุศลใหม่ทุจริตใหม่กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตนั่นคือบาปใหม่ รู้อย่างนี้แล้วให้เกิดทำไมฮะทำไมให้เกิด ท, ทั้งทั้งที่รู้กันขนาดนี้แล้วเนี่ยสังเวคาญาณะมันไม่เกิดถ้าสังเวคาญาณะเกิดเนี่ยโอ้โหขดโอ้โหลฟังขนาดนี้เราระดมความเพียรแล้วอยู่ไม่ไหวหรอกทัานทำไ ม, มใช่ไหฟังขนาดเนี้ยใช่ไม่ใช่จะอยู่ไหวหรืออย่างนี้เนะ่ยใช่มะ นี่ก็าเรียกว่าอนุปนันณะอกุศลอกุศลใหม่ทุจริตใหม่ย่อมสามารถเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้ขนาดไหนบอกเป็นอนันตะในบุคคลหนึ่งหนึ่งอนันต์แปลว่าอะไรนับไม่ได้คํานวณไม่ได้ในพบเดียวบุคคลหนึ่งหนึ่งในอัตภาพเดียวในพบหนึ่งหนึ่งที่จะเป็นไปเนี่ยไม่รู้จะนับยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดมันทำไมมากมายขนาดนั้นบาปที่จะเกิดในอนาคตเนี่ย ศาตร์โลกทั้งหลายเนี่ยมันไม่ทําอย่างนั้นไม่มีใครทําให้เราเลยเนียเนี่ยมันนั่งแทงนั่งเสียบตัวเองอยู่นี่แหละเอามีดมาเสียบบ้างเอาหอกมาทิ่มมาแทางบ้างไม่มีมีดมีอะไรก็ตอบหน้าตัวเองเล่นอยู่เนี่ยนะ <laughs> ใช่ไหม <laughs> <laughs> บางทีก็วิ่งเอาหัวชนอะไรเล่น <laughs> <laughs> ใช่ไหมไอ <laughs> ้พูดอย่างนี้หลายๆคนก็อมองก็ได้พูดอะไรเกินไปเรื่องจริงเป็นอย่างนั้นเนี ใช่ไหมความจริงเป็นอย่างนั้นฆ่าตัวเองกันทุกวันนี่ไงบาปใหม่ทุจริตใหม่ปาณาติบาตอทินนาทานการเมสุมิจฉาจารมุสาวาจปีสุนาวาจพาพุทธสวาจาสัมปรพราปร ะ, ปะโลบโกรธเห็นผิดตั้นรอดนี่ไงทุจริตใหม่ก็เจอไฟอยู่อย่างนี้แล้วนั่งก่อไฟแล้วก็โดดเข้ากองไฟนั่งก่อไฟแล้วกโดดเข้ากองไฟ มันสนุกหรือทําทําไมมันสนุกหรือนี่ไงของใหม่ที่มันจะเกิดขึ้นเป็นอนันตะนับไม่ได้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากสักยทิฏฐีแล้วดับความเห็นผิด ต, ตัวนี้ไม่ได้มันถึงบาปทุกอย่างมันมาหมดเลยเอ่ะถอนไม่ได้ประตูบา